นี่ต่อไปว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณบ้านพันฑกรามนั้นพระองค์ก็ทรงทำทำมีคาถาอันนี้แหละเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลา ย, ลยนะเรียก ว, ว่าคําสั่งเสียท้ายๆเลยก็คือศีลเป็นอย่างนี้ศีลที่เป็นโลกิยะเป็นอย่างนี้ศีลที่เป็นโลกุตระเป็นอย่างนี้จตุ ป, ปาริสุทิศีลเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมาธิคือทั้งอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอย่างนี้ปัญญา อย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนะอย่างนี้สมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ปัญญาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะมัคคะสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียนิสงมากมัคคะปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมียนิสงมาก มัคจิตอันตัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสะวะโดยชอบอ น, นะอรหัตตมรหัตผลจิตจะพ้นจากกามาสะวะภาวาสะวะและอวิชชาสะวะโดยลําดับคาถานี้พระองค์แสดงบ่อยมากเลยนะที่จริงแล้วเนี่ยยกมากล่าวว่าสาระสําคัญของคําสอนที่พระองค์ประทรับณบ้านพันดคามแสดงอย่างนี้มากอันนี้เป็นการแสดงครั้งที่8 เรียกว่าทุกครั้งเนีแสดงบ่อยมากเลยนะตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นแต่รวมรวมว่านี่เป็นสถานแหล่งที่แปลที่พระองค์เกล้าวันเน้นให้ความสําคัญพิเศษว่าจะตุปาริสุทิศินเป็นอย่างนี้อุปจาระสมาธิอั ป, ปนาสมาธิเป็นอย่างนี้การรมสกตาปัญญาวิปั ส, สนาปัญญามัคคปัญญาเป็นอย่างนี้ถ้าอบรมแล้วเนี่ยจะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานแทงตลอดทำที่สุดแห่งทุกอย่างไรเรียกว่าย้ําแล้วย้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกเพราะว่า ต้องการให้พระพิสุท์ทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะได้รับคุณธรรมเหล่านี้ถ้าเปรียบเหมือนพระพิสุท์ั้งหลายเหมือนกับต้นไม้แก่นของอต้นไม้ที่ดีควรจะมีแก่นแก่นของต้นไม้ฉันใดแก่นของพระพิสุท์ทั้งหลายก็ฉันนั้นท่านมีแก่นคือศีลไหมท่านมีแก่นคือสมาธิไหมท่านมีแก่นคือปัญญาไหมท่านได้รับสาระคือแก่นสารแห่ง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 ทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ตามพระอัธยาศัยณบ้านพันดามแล้วก็คือไม่มีพุทธเวนยให้โปรดโปรดก็ตรัสกับท่านท่านนนว่ามาเถิดอนนนเราจะไปยังบ้านหัตถีคามพอออกจากบ้านหัตธีคามก็ไปยังอัมพคามจากอัมพคามก็ชัมผู้คามเสร็จแล้วก็เลยไ ป, ไปถึงโพค่านคร นะก็ไปโดยลำดับอย่างนี้ท่านพระนนก็ทูลรับพระดารัสนะนะแต่ละแห่งก็มีการประทับพักไปเรื่อยค่อยๆไ ป, ไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองหมูใหญ่สเสด็จถึงโพคานนครแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณนะ อ, อานนทเจดีโณโพคนนครนั้นเป็นเจดีก็คือเป็นวัดนะวัดประจำเมืองนะ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 มานะนี่มันยิ่งใหญ่มากเพราะถ้าไปออกความเห็นอะไรขึ้นมาน้อยคนนักเนี่ยนะทำเป็นเหมือนรักษาสัจจะวาจาใช่ไหม ท, ท, ทั้งที่รู้ว่าผิดแต่ทำเป็นเหมือนรักษารักษาสัจจะวาจาสัจจะวาจาเนี่ยนะเขามีบางคนพยายามบอกเนี่ยทุกนะทุกอย่างควรจะเป็นสัจจะบอกว่าใช่สัจจะวาจาจะต้องไม่ขัดกันนะสัจจะต้องไม่ขัดกับอริยสัจจะนั่นจึงจะเป็น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 ไม่รู้สัญญาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาตรงนี้ว่าคนที่ฟังอะไรเนี่ยนะนะอย่าเพิ่งยินดีซะ ก, ก่อนตั้งแต่แรกและอย่าเพิ่งปฏิเสธในตอนหลังในตอนแรกคืออย่าคานก่อนอย่าชอบก่อนเพราะอะไรเพราะตอนหลังเดี๋ยวก็ลาบากเนี่ยนะพอตอนแรกคัดค้านเขาหน้าดูเลยนะ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 มันหายจริงไหมล่ะเพราะบางอย่างเรื่องแปลเป็นแผลเป็นตลอดไปถึงจะประสานได้หายได้เป็นแผลที่รักษาได้แต่ก็ยังมีแผลเป็นติดตัวตลอดไปเพั้นคําที่เราพูดเนี่ยนะไปชื่นชมอะไรสักอย่างถึงที่มันพลาดหรือไปปฏิเสธสิ่งที่ถูกมันก็เสียหายทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งนี้เลยให้สอบสวนกับคําสอนให้ดีก่อนเมื่อสอบสวนกับคําสอนอย่างนี้เนี่ยนะถ้เรียกว่าสรุปว่าสอบสวนกับ พระไตรปิฎกว่าเข้ากับพระสูตรพระวินัยและพระพิธรมเข้ากับธรามสอนอะไรบ้างเพราะบางคนเนี่ยนะได้ยินมายังไม่ทันจบประโยคเลยอนุโมทนาแล้วบางทีก็ค้านตะบี้ตะบันไปหมดไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรไม่รู้เกิดมาค้านก็อย่างเดียวเนเพรา ะ, ะนั้นเขาเรียกว่าค้านคําที่พูดถูกตาหนิกระชื่นชมคําที่พูดผิดมีโทษหรือตาหนิ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 สามเป็นไปเพื่อมีอุปาทานหรือว่าดับอุปาทานสี่เป็นไปเพื่อมักมากหรือว่าเป็นไปเพื่อดับความมากมากห้าเป็นไปเพื่อความสันโดษหรือไม่สันโดษหกเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านหรือว่าปรารอบความเพียรหมเพราะว่ากุศลเจริญขึ้นไหมหรือกุศลลดลงเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมูอหรือวิเวกนนเป็นไปเพื่อสังสาคฆาการคลุกคลีหรือวิเวก